ฉันแค่คนธรรมดารู้ดีว่าต้องทำใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ถึงคราวต้องเอ่ยคำลาไม่มีอีกแล้ววันคืนเกินจะฟืนความจริงเกินจะควายควา้าโอ้ oh oh oh. เพราะดินมันก็คือดินแม่ใจจะวันไปไกลจะยือให้ตายแค่ไหนสายลมก็คงไม่หวนไปดีเธอนะคนดีเมื่อวันนี้เธอเจอคนที่คู่ ดอกฟ้าแค่นมลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรั้งก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนต้มถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บทำได้ความยินดี มือทังน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยน้มลงมาให้ฉันรักเธอทุกคืนที่ยืนมองดาวทุกคราวจอเผาวนาให้ดาวเละเดือนบนฟ้า ภูมครองนำพาเธอไปไปมีชีวิตดีดีมีความรักดีดีตามที่ตั้งใจโอ้ดอกฟ้าขนมลงดินสุดท้ายก็บรยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะ จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนตองถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ I'm not afraid. ปอยากจะรั้งก็นจนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้ไม่เพียคงคลนต้องถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บ้ำได้ความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่สี่ เอขอบใจที่โน้นลงมามันคงถึงเวลาขอให้โชคดี